าการปฏิบัติระศาสนาี่อการปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเพื่อให้ถูกต้องตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเน่สอนเอาไว้สิ่งใดที่เราเคยพูดเคยทำเคยคิดไปใ น, นเนี่ยทิดเราต้องหักแหงเพราะความคิดของเรา จิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่ชั่ว ท, ทิ่เสียที่เต็มไปด้วยวิเลตปัญหามานาทิจิตต่างๆเป็ี่ยนทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นของบริสุทธ์กอกําระกายวายายใจของคนผู้ประพิปฏิบัติถึ ง, งจิตใจยังไม่หลุดพ้นไปจาก เรื่องวิเลตัญหาแต่แค่ว่าผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตารักษาประบัติปฏิบัติตามอาจถธรรมที่ธรรมแนีสอนถูกต้องดีงามคนนั้นก็จะมีคว า, ามเยือกเยน็นมีคว า, ามเปนสุขภายในตัวเพราะสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆที่มีอยู่ในใจเรากดระวังรักษาเอาไว้ ม่เห่กายไปทำวาจาไปพูดถึงใจคิดก็มีสติหักห้ามหลาบตามมเ่เห่ใจเลยเถิดเลยแดนไปในเรื่องชั่วเรื่องเสี้ยต่างๆยินดีพี่เจนาศึกษาในหลักธรรมสี่พุทธเจ้าตรงนี้สอนเอาไว้มาดับ กายวาจใจใจของตนคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นถึงยังไม่ถึงขั้นอรหัตอรหันต์แต่ก็เป็นสีหน้าเรื่มใสศรัทธาของชายกชา ย, ยิกาสังหนอะเพราะเรื่องธรรมเรื่องดีงในสี่ท่านรงมันหัตดเอาไว้เป็นเรื่องละเอียด ดังความสวยความงามให้เกิ ด, ดขดึ้นแต่ผู้ปฏิบัติ่ันจิ้งจ่าวไว้ว่าอาชิกัเลยานังงามในดวงตนคือศีลคื อ, คอทีนีศีลใส่จำกายใส่จำวาจาของคนคนนั้นเป็นคนงามถึงรูปร่างกลางตัวภายนอกจะไม่สวยงามแต่ที่ลัาความเป็นไปทาง การทำการพูดของเขาถูกต้องหน้าเรื่อนใสหน้ายินดีหน้าพอใจคำพูดของเขาออกมาก็หน้าเชื่อถือเพราะพูดค ำ, คำสัตท์คำศิลคำเป็นสาระประโยชน์ในพูดเล่นพูดเพลินไปในทางโลกทางสงสารนี่คือซีน ทำบุคคลแห่งงามดยกิริยามาย่ไยางคนที่มีศีลจะอยู่ในสถานที่ดใดใครเห็นก็ชอบกายินดีเพราะศีลนั้นเป็นอริกรยานางเชิ ง, งามในเบื้องต้นคนที่มีศีลจึงเป็นคนงาม ในความประพฤติปฏิบัติของเขาพระพุทใ้เจ้าเปงนเจงสันเลเสนแต่ศีลเป็นเบ่งสนถ้าไม่มีศีลคือการประพฤติการรักษาการทำการพูดของตนแล้วคนนั้นไม่มีหวังที่จะเกิดสมาธิมีปัญญาละกิเลสเพราะความชั่วยาบหยาบเขายังละไม่ได้ เขายังทำเขายังพูดเกีย่ยวความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจภายในเกิดเป็นอย่างไรไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะมีจะวิเศษได้เพราะต้นของมันไม่มีดอกผลมันจะเกิดมีมาจากที่ไหนถือเป็นห น, น, น, นึ่งต้นที่ทุกคนจะควร ล, ง ล, งลงังสังวรยิ่งเป็นนักบวชศีน ข, ของพระก็มีอยู่เมื่อ ศีลทองเงินก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่ท่าน่าวไว้ศีลสิบศีลทองว่ายี่สิบเจ็ดนั่งศีลเฉพาะที่รับจากการบวชหรือมาในพราปฏิโมกข์แต่ศีลจริงใจมีมากภายในมีตั้งสองหมื่นสองพันระธรรมขันธ์ถ้าสูตรก็เหมือนกันทำมต่หนึ่งสี่พันพระธรรมขันธ์ เป็นปรามาติตเยีเ่ยหมื่นหมื่นหมืนน่หมืนนนนนน่นสีาา่พันเป็นพระวินัยที่ทำแปดหมื่มันเป็นขึ้นหนึ่งพระสุดพรีวินัยขึ้นหนึ่งของพระปรามาติต <c oughs> ตามตำรับตำราฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่แจกเพียงสองรอยี่สิบเจ็เท่านั้น ภ่าทีในของพระเจ้สุมีมากเป็นหนื่อนนของสามเณรก็เหมืนอนกันสามเณรก็คือเหล่ากอของสมณนะผู้รักษาความสงบผู้มุ่งมั่นในการหลุดพ้นในสมมาบวชเริ่มบวชเพินบวชผูกบวชคุยบวชสะสมกิเลส มาตวจเพื่อทำรักษาสางกายรายใจใจของตนจึงว่าสิจรลยานางงานในดวงเต็มคือจีนจีนของเราขาดตกบกพังด่างร้อยเสียหายที่ไหนตรวจตาที่เจอนากายรายใจของตัวมีอะไรชั่วอะไรเสียผิดเพี้ยรักษาควรจะพึ่งปฏิบัติต่อไปหรือดีเรวจร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าหากดีแล้วจิตใจจะหนมีการว่าวุ่นคุ่นเคียงเลยการพูดการทำของตัวจิตใจจะยินดีเลี่ยนใสในสีมทั้งตั ว, ตวนักเจริญญาณงานในธรรมากางคือจิตใจเป็นสมาธิสมาธิคือการหนักแน่นของใจ ความลงรวมของใจความเห็นไทยในวัฏฏสงสารสมาธิคือความแน่นแฟ่นในหลงไหลตาได้ดูหูโดยฟังในเอียงไปตามอารมณ์สัยญาตามรูปตามเสียงเหมือนั้นจิตใจตั้งนั่นยินดีพิ่จะมา นหนักแน่นในเหตุในผลอย่าว่าสมาธิคือความหนักแน่นของใจในเลาะแหละเล้วไหลไปตามเรื่องของโลกที่นีที่เจอมาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนั้นนัใ้นใจมั่นใจทนทานในเหตุในผล ยิ่เียวว่าสมาธิคือความหนักแน่นของใจพอเห็นรูปกลมันดีคิดแต่มันสวยมันงามดูไปตามสัญญาอารมณ์ของวิเลตัญหาโดยยินเสียงสันและเสลมินพากว่าทํานองเดียวกันใจมันมัน่นใจมันเหนืยวแม่มนใจมีหลักฐานเกี่ยงตรง ไม่เด็คิดบกวนในทางชั่วทางเสียหนักอยู่ในอัดใน ร, รมในศีล ใ, ในสมาธิในปัญญาในหนักไปในด่านที่เหลือปัญหาด่านโลกด่านสงสารจึงเหียอกว่าสมาธิคือความหนักแน่นของใจแต่พูดปฏิบัติยังไม รู้ชัดเห็นจริงก็ไม่ ย, ยมอมขอดุลละท้อถอยตั้งหน้าตั้งตางรักวาขอวัดปฏิบัติอัรรดรำตีครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าแนสอนไม่ปล่อยใจให้รั่วไหลใจในสัญญาอารมณ์ฝ่ายสักตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานที่อุปชาอาจารย์แนสอนเอาไว้ มีดูใจมีสมาธิมุ่งมั่นในการเจริญปัปฏิบัติลายชั่วบนเพ็นดีอยู่สม่ำเสมอเนื่อตัวของตัวมีสมาธิทมหนักแน่นอย่างนั้นในวันไหวตามสัญญาอารมณ์ที่เหลือจัญหาต่างๆความสุขความสบายมันก็เกิดขึ้นเพราะสมาธิ เป็นทำงามในทำก่างคนที่มีสมาธิในจิตในใจมีความหนักแน่นในเหตุในผลกำจัดยุวรทั้งห้าจึงป็นข า, สาดสิทธิ์แก่ความสงบของใจให้ตกไปหยุดใจในรัวไหลไปในทางสวทางเสียจึงจึงหวักสมาธิที่พีมะ มีสมาธิแผ่นจริงแ่าเป็นคนงามไม่ได้งามพอรูปร่างกลางตัวผมขนและฟันงามอย่างนั้นอย่างนี้ที่ชาวโลกเขาถืกันนั่นมันตาฟาตาฟาตามืต า, า, า, า, า, า, า, า, ม, ามัวคนจีตไปเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเสือว่างงาม แต่ทางธรรมะสิ่ที่มีสมาธิทผ่นดินพิจายนาอย่างนั้นพิจานาขาดขันของตัวของตัวเองใหเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เรื่อเกิดขึ้นมาจากสิ่งสี่จกกระโปกในว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันไม่มีอะไรเป็นของที่หอมหวนชวนดมไม่มีอะไร เป็นของสีสวยงามน่าจูบน่าชมนี่เพื่อเพื่อิตวิญญาณไปตามอาจทหจิตหนักแน่นไม่วอกแวกเอียงเอียงไปตามเรื่องลมปากหรือจีเดตปัญหาแต่จิงว่าเป็นสมาธิใน ม, มีความสงสัยลังเลในใจมีจิตใจดิ่งลงไปในอาจในธรรม่ายเดียว เหมือนมีสมาธิความหนักแน่นในใจเห็นอะไรในะบอกแวะใจได้รับความฝุกความสงบจากการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นตัวของตัวเองก็มีความฝุกมีความสบายในวุ่นวายเดือดสัญญาอารมณ์ต่างๆคนอื่นที่เคาเดือดร้อนวุ่นวายมาเห็นเขา้าเขาเลยเรียมใสยินดี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 เป็นความ ง, งามที่ศุกรบสรระปริโยสานะกิริยานะงามในเบื้องปลายคือปัญญาปัญญาคือความหลอดรู้ในกองสังขารอะไรสังขารควรที่เคยศึกษาํำหรับตำราโกไม่สาบว่าสังขารคืออะไรสังขาน ก็หมายถึงสังขาร น, นอกก็มีสังขารในก็มีสังขาร น, นอกสิ่งที่จึงแต่งเถื่วไฟนะว่ากูยืวิหารรถเรือบ้านช่องต่างๆนาน า, นาตลอดถึงสัพ์บุคคลเป็นสิ่งที่จึงแต่งขึ้นมาจากสังขาร น, นี่คือสังขารภายนอกสังขารภายในคือใจ จีบจงจีคิดวอรากผัวในเรื่องของสังขารสัพเพสังขารายมิจจัสิ่งเชื่อสังขารไม่ว่าสังขาร น, นอกก็ดีสังขารในก็ดีไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์แล้วบังคับไม่ได้ตามใจหวังของตัว ให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นให้เป็นภายในของตัวจึง เ, เสื่อปัญญาที่เคยจำมาเราเกิดปัญญาจำมาได้ศึกษามาได้ก็เป็นปัญญาท่านต่ำไม่สามารถที่จะทำจิต ท, ทาใจทองตนให้เยอดเย็นรูเห็ น, เ, หนเป็นจริงได้ ทั้งทั้งสี่รู้ดยูแต่แก้ายใจของตัวไม่ได้ว่าโลภโกรนหลงเป็นของไม่ดีแต่ตักวก็ยังมีโลภโกรนหลงอยู่นี่จ่บเปลี่ยนจําได้ไม่เป็นภายในใจถ้าเป็นไปภายในใจของตัวจริงจังไม่เป็นอย่างนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นที่ะตกไม่มีอะไรที่จะข้องจิตในจิตในใจจุกทุกข์จึงเรียกว่าเวทานา โดยเคยท่านกวัวทราบก็มีเหมือนกันกับคนธรรมดาคนธรรมดากวทราบผูดสิเคยศึกษาสำหรับกำล่าพูดสิเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์แต่มันละไม่ได้มันเข้าใจไม่มจริงมันจึงหลงเราต้องมีปัญญาให้ถึงฐานของมัน ปัญญาคือขันแกวไว้มันมีหลายขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดอย่างที่เจรนาในเรื่องของสังขารธรรมภายในเป็นปัญญาละเอียดเข้าใจชัดเจนในสิ่งต่างๆรู้เห็นในใจของตัวในใ่เพียงแต่จาได้เท่านั้นเป็นการขับไล่ความสงสัยลังเลต่างๆตกไป เปลนจิตใจในจิตข้องนี่คือปัญญาภายในคือใจมีปัญญาสามารถละสิ่งที่ควรละให้ตกออกไปได้เป็น จ, จิตใจบริสุทธิ์ทราบอีกเพราะพระพุทธศาสานาคือคำสอนของผู้ไม่ใช่คำสอนของผู้หลงผู้ประพฤติจิตดักก็ไม่ใช่คนหลง เป็นคนรู้หลายดังมีกิเลส อ, อยู่แล้วก็รู้เราเบาบางไปจากกิเลสแล้วก็รู้เราพ้นจากกิเลสแล้วก็รู้ความรู้อันนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนโดยการฝึกฝนโดยการอบรมโดยการบําเพ็ญภาวนาทราบเข้า ใ, ใจ ภายในตัวไม่ใช่ว่าจำได้แล้วกว็หมดความสงสัยมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากวันหมดความสงสัยโดยการจำได้มันไม่มีใครที่จะจิบขอ้อเพราะการศึกษาละกิเลสมันต้องประพฤติปฏิบัติโดยตัวของตัวโดยสอบสืบดูภายในเค่ใจอยู่สม่ำเสมอโดยใจท่งตัว แต่ก่อนเคยติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมาระยะนี้เป็นอย่างไรเมื่อไปโดนกิ่นเหล่านั้นเข้าจิตของเรายังหวั่นไหวยังวาวเวยังยึดถือหรือไม่เปลียตาพี่เริญนะพอเห็นนี้เข้าใจของเรามันยังติดข้อในรูปแบบนั้นหรือไม่ สองพิจนาภายในตัวของตัวเสียงกเหมือนกันถ้าหากมันละเอียดเข้าไปชิ้นเหล่านี้มันทราบ ด, ดีว่าเป็นเพียงสมมติเกิดขึ้นมันก็ดับไปส่วนหยาบมันก็มีโอกาสเวลาต่างอยู่นานนิดหน่อยควนละเอียดมันก็ดับไปเร็วมันเป็นอยู่อย่างนี้ตาของเราอีู่ใน เหนมาก่อนรูปมันก็มีอยู่แล้วพอไปเห็นเขา้าไปมันมหมายว่าเยี่ยงว่ชายว่าเสือว่างามต่างๆปัญญามันทราบมันจึงไม่หลงแต ร, ร, รูปถักใจว่ารูปเท่านั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรที่แตกแตกต่างกันนี่เราไมา่ที่พิจารณาอย่างนั้น พอเห็นเท่าก็ไปยึดไปถือแต่มันดีมันเด่นมันสวยมันงามเกิดทางกำหนัดยินดีเห็นรูปไม่ดีเท่าก็ตามนี้จิตใจวุ่นวายว่าโว่เลยหน่ความพอดีทองามให้จิตไม่เป็นมัตติมาไม่มีปัญญาจิตใจทำจิตโค้งตนให้เฉี่ยงตรงให้สงบ เขามาปัญญาตรงแรอบรูปทีท่วนสังขารที่จิตรึงภายในถ้าหากทิกระยะมันบ้อนขึ้นมันผุดขึ้นอย่างไรทราบคือสติมันงนีไปจากตัวมันดูภายในอยู่จะมันม่นเส้นปอ๋ยไปสำคัญมันไม่ไหา ย, ยิ้งกว่าชายไหวลุกยว่าเสียงมันก็เกิดขึ้นไปจาก จิตเป็นใจเป็นนั่นเองเกิดขึ้นจากที่อื่นตาหาหดในนี้ความหมายภายในเป็นผลอะไรไหมครับสงบไปดับไปมันเป็นธรรมดาถ้าตาตป็นพิเรดพระพุทธเจ้าบอเลยควักตาออกถ้าอรหันต์อรหันต์ก็จะต้องทลายตาของตัวนี่ตาไม่ได้เป็นที่เรนไม่ไเกิดราคะตัณหา แต่จุดมันเป็นกิเลสึควรทํลาลายจิตของตัวการแบบที่ปฏิบัติต้องดูภายในใส่เกียรตภายใ น, นรักษาภ า, ายในหายใจในรอบครอบใจมีปัญญามันเลยทั น, นทาตามเรื่องของตาของหูคือตีเห็นไปในยินต่างๆมันเลยนํามา เป็นสัญญาคูณขึ้ น, น, นหมายเอาฉังขานคูณขึ้นสัญญาหมายไว้แต่อันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ก็ได้เกิดความยินดีเกิดความเสียใจตามสัญญาอารมณ์ที่ปงไปพอใจหนึมีปัญญาละถอนยิ่ถ้าใจมีปัญญามันมีโอกาสเวลา มีทางที่จะตัดจะดับมันแต่สิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมันก็ดับไปเราไม่หเห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้มันมีมาไม่เคยขารูปเสียงกลิก่นรสเราจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เราตายไปแล้วสิว่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เหมือนปัจจุบันคนที่ลึมหลง จะต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดความอยากความกำหนัดยินดีควนที่ไม่ลืมหลงไม่เกิดทุกข์เกิดทุกเพราะสิ่งเหลา่านั้นก่อตัวต่อไปทุกกับแตก ส, ะสะลายโดตามหาที่ของมันนี่คือเรื่องปัญญาที่จะสอบสืบจิตใจของตัวถ้าหากมันเห็นมันเป็นภายในแล้วมันไม่มีอะไรสงสัย มันจะดับได้หาใจตามเป็นจริงเรามาบวชหรือมาฝึกอบรมศีล ส, สมาธิปัญญาที่เรียกว่าไปศึกษาคือเป็นสิน่งที่ผู้ประพปฏิบัติจะต้องศึกษาไม่ต้องไปศึกษาอันอื่นศึกษาในใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาผ้ จิตใจจะรู้จะละจิตใจเคละให้ตกออกไปใจจิตจะเมืดบอดจะสว่างหไวไยใจ จ, ะจะิตจคย่นวายจะสงบสุขนี่คือการประพฤติปฏิบัติไม่เคยว่าเรียนมาได้ก็อพอแล้วจะจิตใจมันยังวุ่นวายขนาดไหนไม่เคยมองดู ภายในของตัวแก่ตัวรู้ตัวเข้าใจพอที่จะพูดได้ก็เป็นพอใจใจนันดังยุดคล้องยึดถือในสิ่งต่างๆมากมายขนาดไหนให้ทุกแก่ตัวอย่างไรในเคยมองดูภายในเมื่อไม่มองดูภายในมองดูแต่ภายนอกว่าเราเป็นพระเป็นผู้ประสบแล้ว คารวะผัวไปในว่ า, วาไไผัวน้อยผัวใหญ่เขามาสาบแม่ว่าก็จะยินดีเต็มใจแต่เราดีแล้วก็คิดเหตุปัญหาภายในเป็นอย่างไรเป็นพระเป็นเนินได้ไม่ประสเสดหรือไม่ส ง, งบเป็นธรรณะหรือไม่หรือใจยังฟุ่นยังฟืนยังสิด ย, ย, ยังข้องยังเศรอยังหมองยังไหลไปในฝ่ายต่ำไม่เหลสําระไม่ะสาง เมมองดูภายในท้องตัวถ้ามองดูภายในข้องตัวเห็นมันเัีวมันเสียมันก็มีทางที่งสําฤัธิหักห้ามป่าตามเหยื่อสิ่ีเสียต่างๆให้ตกออกไปเพราะสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวสิ่งที่เฉ่อวี่เสียถ้าใจมีปัญญามันถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข่าศึกระดตัต่อใจท้องตัวต่อความสุ ข, ข้องตัว ต่อความต้องการของตัวถ้าหากมันไม่มีสติปัญญามันไม่ถีว่าสิ่งเหล่านั้นมันให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวมันจึงไม่กลัวคิดไปพูดไปสะดวกสบายเพราะไม่ถืว่าเป็นภัยอันตรายอะไรเหมือกนกันกับคนที่รู้จักว่ามีตัวนี้เป็นอสลัพิษเขาสามารถเล่มได้จับได้แต่ทราบว่ามันเป็นสอสลัพิษถ้ามันจับ มันกัดมันต่อเมื่อะไรได้รับไทยถึงความตายเราไม่สามารถที่จะไปจับไปต้องมันพรกลัวพิษไทยของมันอี่พวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันเห็นกิเลสปัญหาอาสวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจจป็นมิดเป็นของหยุดของดีมันจรงเท่าไหร่ก็อนยอมให้มันจรงมันพิษไป ใจมันเป็นกำลัเสิมฐานใจมันจึงหนมีความสงบระงับให้พอยินดีเติมใจสิจะส่งเสริมมันถ้าเห็นว่าเป็นภัยอันตรายพอเกิดขึ้นมันก็จะต้องชำระโดยอุบาัญญรมยาแสอนตัวนี่นั่นเลยเห็น่ะเป็นภัยอันตรายอย่างนั้นจึงพอใจ ยึดมั่นพื้มั่นใช้คิดติดตามพยายามพิจรารณาเรามาบวชมาศึกษามาปฏิบัติกายวาจจใจของตัวไม่ใช่มาสะสมความชั่วมาสร้างกิเลสปัญหานักบวชโดยส่วนใหญ่ไม่มีการงานหน้าที่อะไรถันแล้วจะเดินจงกรมภาวนาตลอด วันตลอดเพลนก็มีใครมาเกี่ยวขว้องไม่มีใครมารบกวนแต่ถ้าฉันแล้ ว, ยลวหยิ่นแล้วไปหลับไปนอนไปเ่วนไปเพินวันเวลามันกดดันคอยเราอยู่มือนกันหมดวันนั้นวันนี้เดือนนี้ยี่นี้เรื่อยไปเราไม่ได้อะไรจากการบวชเมื่อร่างกาย จิตใจเลยมีอัดมีทำ ม, มีแต่กินแต่นอนเท่านั้นกําลังองกายกับมีกําลังองใจงงใจิตซักใสในเรื่องกิเลสมันกกพมีคูณขึ้นผลที่ีุดกัไปกันใหญ่อยู่ในวัดตั้งแต่กายใจมันไหลไปตามสัญญาอารมณ์ของโลก เ, ลเป็นทุกข์จนโทษ เ, เห็นผ่าเหลืองเห็นวัดเห็นลา เป็นนรกเป็นอเวจีม่มีความสุขความสบายให้เห็นคลราวาสหยดยองเห็นหรูปเห็นเสียงเรื่องต่างๆของโลกสนุกสบายเธ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ่อยชวนมัวเมาเอาใจม่อยู่นี่คือการหมื่ทำละสะสามจิตใจของตัว่องบวดเปรตกายในตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวมันเป็นอย่างนั้น นักบวชยึ่งอยู่ในศาสนาไม่ได้หาความสุขความสบายไม่ได้หาความเยือกเย็นไม่ได้เพราะใจไม่อยู่ในวัดใจไม่อยู่ในอัตในธรรมถ้าหากเราทําน้าสาสางจิตใจของเราไม่งจงใจกินจะเล่นจะหลับแต่นอนขบฉันแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาดูกรรมฐานดูกายดูใจของตน คิ่งที่นันเป็นธาตุสัตว์ตรูสำะักสาสางอยู่เรื่อยๆมีสติมีปัญญาสอนตัวความชั่วทุกอย่างไม่ให้เกิดที่มีอยู่สำาระไปใจมันก็มีวันสะาใจมันก็มีวันสงบไม่มีใครในโลกที่จะมีโชคลาภดีดีเสษเท่ากับนักบวชนักบวชเย็นมากสบายมาก นอนก็นอนคนเดียวไม่มีใครมารบกวนกินก็กินอย่างสะดวกสบายเขาหามาให้อยู่ในร่มในเงาในเตยกินตักแด่ตักฝนเหมือนคารวาสเขามันถูกมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างหนุ่มห่มก็เขาหามาให้เช่นยดย้อม นุ่มห่มสะดวกสบายทุกอย่างม nope. ันสบายไม่วุ่นวายกังวลถ้าจิตไม่กังวลวุ่นวายถ้าจิตมีอัดมีทำมันสุขมันสบายมันประเสริฐวิเศษเพีของสมรมะเพีของบรรพชิตเพีของนักบวชเป็นเพียบจิตสงบเป็นเพียบจิตสุขเป็นเพียี่เยือกเย็นถ้าจิตใจมีอัดมีทำเป็นอย่างนั้น ใจใจในี้อาจมีธรรมเดือดร้อนวุ่นวายไม่สุขไม่สบายให้เพราะใจไม่อยู่ในวงของอัดของธรรมใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องงองดูจะต้องรักษาในจมเปขค้าหาความสุขที่อื่นเพียงใจใจสงบใจมีอาจมีธรรมแถว น, นั้นมันเย็นมันสุขมันสบาย ถ้าใจใน ม, มีอดมีธรรมแล้วมันมีความสบายเพราะความไม่พอใจในเผกของตัวในความผ่าความเทียนทางศาสนาถึงทุกข์ยากลำบากวุ่นวายขนาดไหนพอใจเป็นจีดขาดตันหามันก็ยอมยินดีเห็นไหมเขาทำการทำงานของเขาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดิน ตลอดวันตลอดเวลาปักดาทํางานต่างๆหนักขนาดนี้นก็แบก่็หามเวลาอยู่เวลากินก็เหมือนกันแทนที่จะได้กินของดีของดีไม่ลําบากอยู่จนบ้านนอกบ้านนาชาวากรรมกรแล้วบางทีมีก็ไม่ได้ล้างเพราะเหตุใดเพราะน้ำมันไม่มีมีนิดหน่อยถ้าล้างมือก็อจะไม่มี ดืมร้อนขนาดไหนก็อาบเหนื่อตลอดวันอยู่อย่างนั้นมันทนทุกทรมานขนาดไหนกว่าเขาจะได้ทิมงตงส่างมาบมงบมเลยะเขามันทุกข์มันยากมันลำบากแสนลำบากแต่เขาก็เต็มใจเขาก็พอใจเพราะเขาเป็นทาสของจิเลืตัญหาถ้าหากเขาไม่จิตไม่คล่องในสิ่งเหล่านั้น คนเกิดมาจะอยู่เป็นชาติเป็นเงินหรือเป็นพระว่ามันก็าตายเนื่อนกันมันมีใครที่จะเหลือหลออยู่ได้ความสุกความสบายทางกายฝ่ายนักบวชถูกมากสบายมากไม่เดยยากเหนื่อลำบากลำคาลเพราะอาหารการกอบฉันเขาหามาให้เชนนิงเงี่ยเชิงงมที่อยู่จิตอาศัยเขาสร้างให้มันถูกมันสบาย มันก็พอมองเห็นธาัดมันไม่เฉือดอย่างของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่เป็นเจ้าเป็นนายของใจมันก็มีทางที่จะทิ่งขวางเรื่องคารวาัตออามาอยู่เป็นธาเป็นเล น, นได้นี่มันทิ้งขวางไม่ได้ถึงทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเพราะกิเลสตัณหามันข่มจิตทีหลังหนั่งคอของใจอยู่ตลอดเว ล, ลา กินก ม, มีสุกนอนก็อน ม, มีสุกเป็นทุกข์อยู่ตลอดตืนไปดึกทําการทํา ง, งานหนักเนื่อยขำก็ยังไมีเด็กกลับมาบ้านบ้างชาว บ, า ง, า, า, า, า, บางคนตายในน้ําไปหาอยากห้กินบางคนตายในป่าในดงถ้าเงนเดินจงกลมตายในถนนทางมีไหมนั่นงพยาบาตายในสติมีไหมล้วค่อยมีนะเพราะอะไรตั้ง หน้าต่างตาทำกันจริงจังแต่ทำกันอย่างฆราวาสเขาเอาใจใส่อยากจะให้จิตใจใพ้นกิเลสมันไม่เหลือวิสัยมันเป็นไปได้แต่ด ม, มันจะทุกข์จะยากลําบากขนาดฆราวาสเขาอยู่เขาหนักขนาดไหนเขาก็สู้เอากันจริงจร ăng, ิงจ้งแจ้งในอย่างนั้นก็มีคอปาก ข, ขอท้อเ ข, อขาก็ยังสู้ เพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องคนนั้นเราอยู่นี้ขาดแคลนอะไรมันหลงเลื่องความคิดมันผิดโลกกว่าเรื่องผิดธรรมใจมันจึงเกิดทุกข์ฉะนั้นต้องพากันทั้งวรระวังศึกษาในใจจิตขาเือศีลการรักษากายวาจาของตัวไม่แห่ไปทำไปพูดในสิ่งที่ชั่วที่เสียที่พระพุทธเจ้า ทรงห้ามเอาไว้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสมาสธิทำจิตทมใจให้หนักแน่นถิงนอย่างไรเราจะไม่หวันไว้เราจะไม่วกเว้อไปตามสัญญาอารมณ์ของโลกเราจะตังหาตัณ า, า, ากำหนดทิจารณากรรมฐานที่อุปชาอาจารย์แนะนเพราะทางโยธงนี้ ที่จะหนีจากกิเลสปัญหาขุนทุกข์ได้ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นในวันไห ว, วไปตามกิเลสตัญหาที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาตำญาที่เจรณาให้ลอกในสังขารคิดอ่านให้ถูกต้องอย่าไปเงลงไหลใส่ฝันเอากิเลสตัญหาเป็นสายสะดาสอนใจให้เอาทำเอาวินัย เมื่องสอนใจเมื่อเราสอนถูกปับตัวของเราถูกในอดในธรรมความเยือกเย็นมันจะเกิดขึ้นความสุกมันจะเกิดขึ้นความสงบมันจะเกิดขึ้นผลที่เุดเมื่อเพีงเพียงพอในเรื่องการที่นี้พิจารณาความผนทุกจะเกิดขึ้นผลทุกมันเกิดขึ้นที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนมันก็เกิขึ้นจากที่นั้น เพราะทุกข์มันอยู่ในใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นศาสนาสอนให้คนรู้ไม่ใช่สอนให้คนหลงมันติดมันคล้องกว่รู้มันทนทุกข์กวรู้เหมือนกันมันรู้อยู่แต่มันติดมันคล้องอยู่มันที่มีพิจารณามันศึกษามันสําัะใจจะมีวันสว่างสวัยใจจะมีวันสุขวันสบาย เรื่องของกายเนี่ยว่าสารภาพดบันเทิงมันก็มีโรคไค่ไข่เกิดมีการแปรเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันจะไปอยู่สถานที่ใดนั้นมันมีวันเวลามันที่จะลืมตัวมันมาจีบเพะมันแฉงนก็แฉงอยู่เรี่ยไปผลที่สบถึงวันที่เวลามันตายจะนั่งเชื่งยนต์จรวดดาวเทียมไปสถานที่ใดมันก็ตายอีกเหมือนกัน มมนมีที่ไหนที่เล่นจากความตายไปไ ด, ได้เพราะเกิดแล้วจะต้องมีดับจะไปงสงสัยอะไรตั้งใจสงบตั้งใจพิจรารณาตั้งใจทำความเพียรเยละกิเลสคนที่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพยายามปฏิบัติกายกาาใจท่องตนอยู่ในวงท้องอัดท้องทมคนนั้น หน้าสรรเสริญหน้าชมเชยหน้าราบไหวหน้าบูชาตัวของตัวเองก็ไม่มีทางตันหนึบว่าตัวชั่วตัวเสียปล่อยวันเวลาให้จนหมันคนอื่นทั่วไปที่มาเห็นเขา้าเขาก็ยินดีจนใจเหลือ่อมใสศรัทฐาเพราะตัวของเราเองไม่มีโทษมีทุกข์เขาพูดดีจะ้ะ มาจับผิดความเชื่วความเสียอะไรเพราะเราไม่มีผิดเขาก็จับไม่ได้จริงใดเขาอยากรู้อยากเห็นว่บดีว่าเด่นว่าฝุก ว, ว่าสบายกขมาศึกษาเราก็พออธิบายใส่เข้าตังได้เราเย็นคนมาเกี่ยวข้องมันก็เย็นเราร้อนคนมาเกี่ยวข้องมันก็ร้อนพยายามทำใจท่องตัว ให้ใจสงบให้สุกให้สบายพวกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายยิ่งกว่าจิตกว่าใจไม่มีอะไรที่จะสงบสุขยิ่งกว่าจิตกว่าใจอีกเหมือนกันแต่นั้นใจจึงเป็นอย่างสําคัญที่พวกเราควรมองข้ามจะต้องดูแลรักษาด้วยสติปัญญาธรรมะริงๆเชื่อสี่เสียให้ตกให้หมดออกไปให้ใจบริสุทธิ์ให้ใจสงบ มันมีทางทําได้ไม่ใช่ว่ามันเหลือวิสัยแต่มันเหลือวิสัยหลวพุทธเจ้ า, าถ้าในใ้มาเนี้ยสอนคําสอนยังอยู่เมือ่อใดมักผลจะยังอยู่เมื่อนั้นเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามถึงคําสอนจะยังอยู่บุคคลไม่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของหลวพุทธเจ้าในรักษากายว่าใจจิตใจท่องตัว ให้ถูกกับอัดกับทำแล้วมันก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเป็นโมฆะเ็นหมันสำหรับคนเหล่านั้นอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะส่องแส ง, สงไปถึงเพราะจิตใจไม่รับอัดทำสี่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจิตใจของเราเป็นอย่างไรเสลือ ต, ตาที่เยนา ไ, ไหม มันอยู่ในอจในธรรมหรือมันไหลไปสู่เรื่องของโลกต้องเปดตาที่จะนาตัวเองตัวในรักษาตัวม่มีใครตีรักษาให้พยายามสอนใจของตัวความดีที่มีอยู่แล้วอย่าให้หายไปเลียไปความดีใหม่ที่ควรจะได้จะถึงพยายามสะสมก่อสร้าง จะทําขึ้นความสชื่อที่มีอยู่แล้วชำระไปความเชื่อใหม่จะหามาทับถมเต็งทีจิตใจของตัวนี่คือสู่แบบเพื่อปฏิบัติดูดีดูเชื่อดูเหยุดูผลในตนของตนอย่าไปดูอันอื่นเราไม่รักษาทาทาก็ไม่รักษาเรา เราจะโอกาสเวลาใดจะประพฤติใจของตัวให้ถูกต้องตามอาตตามธรรมวันคืนปีเดือนหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไปอยู่อย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องมันไปแล้วตายไปก็อย่างนึกว่าวันคืนปีเดือนมันจะหมดไปมันยังคงเป็นคงวาของมันอย่างนี้โลกมันหมุนไปวนไปสมมุดมันไม่หมดไม่สิ้น แต่จิตของเราหลงอย่างเยอะเท่านั้นมันก็ไม่มีวันที่จะพ้นไปจากทุกข์จากโทษได้จิตที่หลงก็คือจิตที่มีปัญญาศรัทธาความเชียอในทางศาสนาตรงทิี่ใจนาจะทำบำเพ็ญมีใครที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเอง ออกพรรษาที่เหลียมันสัญหามันก็เลยออกไปด้วยในสัรษากวรเชื่อว่าจิใตใจมันจะอยู่ภายในอาจในธรรมถ้าเราไม่รักษาวันเวลาจีเนี่ยมีความหมายอะไรสําหรับผู้ที่ในมีความหมายในตัวแต่คนมีความหมายวันเวลาที่ผ่านไปมันจะมีความหมายไปด้วยเพราะเรามีความหมาย ทำลายสายสานจิตใจวันนั้นโดยรู้ได้เห็นเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ต่งางๆในการที่ได้ช่ใจนะมันมีความหมายไปถุกการทุกเวลาค่ะเรามีความหมายถ้าเราไม่มีความหมายมันเราไม่มีความหมายอะไรวันเพืที่ผ่านไปนี่แค่ความหมายใกล้จะตายไปทุกวันเท่านั้นผลที่สุด ถึงสิ่งความตายสายก่แตกไปตามหน้าที่ของมันดินน้ำลมไฟก็ไปตามเรื่องจิตใจทีไร้คุณค่าไม่มีอาจทำอะไรก็สัญจรไปหาพบหาชาติตามกรรมที่สร้างเอาไว้จึงพากันพยอยามแนื้สอนฝึกหัดดัดผิดัดใจของตัว ให้เข้าฝู่อัดทำผิดพระพุทธเจ้าสอนเหนือทุกคนสนใจตั้งหน้าศึกษาภาวนาตามหลักผิดพระพุทธเจ้าสอนแล้วที่เหลือตัณหาผิดเคยหนาแน่นกว่าจะตกจะหลุดออกไปใจผิดเคยมืดบอดกว่าจะสว่างสวัยความเดือดร้อนวุ่นวายสังใจกว่าจะหายไปเหลือแต่ความสงบเยน็นอยู่ภายใน คืออ น, นิสงของการประพฤติปฏิบัติฉังนั้นขอทุกท่านจงนำไปชี่นิพิยานาต่างหนาต่างตาประพฤติปฏิบัติต่อจากนั้นความสุขความเจริญก็จะเจกิดขึ้นแต่นักปฏิบัติการในธิธารธรรมเห็นว่าพอสมควรจิงเวลาไอยจะติเพียงแตนี้